สัมพุทธัสสะนาโ ม, าโโ ม, ม, ามทัมส ส, มมสออนนภะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น การนั่งสมาธิภาวนาให้พากันเรียนแดดพระพุทธเจ้าเรียนแดดอื่นแล้วก็ไม่ถูกต้องก็ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านวางแขนไว้เรียบร้อย ในใ่เคนั่งสมาธิแดบเลื่อนลอยเมื่อพระองค์อยู่ในคารวะญาติโยมอายุได้ยี่สิบเก้าปีก็นนับว่าเป็นคนใหญ่รู้จักผิดถูกชั่วดีตามธรรมชาติ แล้วท่านก็ได้เห็นนักบวชสมัยเสด็จผ่านไปมาว่านักบวชนี่แหละเป็นทางที่จะออกจากทุกข์ได้เมื่อท่านมีโอกาสก็จะถือแบบนักบวชนี่จะนีเมื่อท่านจะออกจริงๆิท่านวางแผนของท่าน เรียก ว, ว่าลึกรับกุฏบิดาจะเจ้าชุดโธธนะไม่รู้ว่าพระองค์จ ะ, สะเสด็จออกบรรพชานางโคตมีแม่หน้าแม่เลี้ยงป้อนเข้าให้น้ำนมก็ไม่รู้คือพระองค์ไม่บอก ไม่บอกใครทั้งนั้นถ้าบอกแล้วเรื่องมันจะมีอุปสรรคเพราะไม่มีใครที่จะให้พระองค์ท่านบวชจะให้อยู่โดยเฉพาะพระเจ้าพระพุทธบิดาอยากจะให้เป็นพระเจ้าจากกักรพัฒราภิราช หน้าตาจะได้ใหญ่โตมโหฬารว่าลูกชายได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสุราเป็นใหญ่ใหญ่ตั้งแต่รัสเซียจนถึงอเมริกาแต่พระองค์ไม่ฟังหางเสียงใครทางนั้นวางแผนเสร็จเรียบร้อยว่าจะออกเวลาไหนา คนทางหลายจึงจะไม่มีอุปสรรคแม่นายช น, นะนายมากก็ไม่บอกเมื่อพระองค์คิดได้ว่ามนุษย์นั้นเที่ยงคืนมันก็นอนหลับจะออกแต่หัวค่ำก็ไม่ได้ แตะออกจวนแจ้งสว่างมันก็ตื่นนอนเที่ยงคืนมันนอนหลับหมดทุกคนส่วนว่าพระองค์ก็เอาเที่ยงคืนแต่ไม่ได้บอกนายสันนะพอจวจะเที่ยงคืน ยังเหลืออยู่ประมาณสัก3ามสิบนาทีก็ไปบอกนายสันนะเลยว่าให้ลุกขึ้นแต่งมาาเราจะออกโบวถแล้วห้ามพูดห้ามคุยอะไรทั้งนั้นนายสันนะก็ไม่มีอะไรไปแต่งมาาเลยเชี้เจ้าก็มาบอกมาเรียนมาโทน พระองค์ก็ขึ้นมาแลวไหมขีไปเลยแน่ก็คงจะในขณะที่บอกนายสันมันแล้วจะไปบอกนายประตูตามธรรมดาประตูพระราชวังมันต้องมีคนเฝ้าให้เปิดประตูแล้วก็ไม่ให้พูดอะไรเกินไปเราจะออกบวช ก็ขึ้นมากว็าวิ่งออกไปได้เลยตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็มาวิ่งตลอดนี่ว่าหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงจนพ้นเขตกรงกับินละพัดแจ้งเป็นวันใหม่ ก็หยุดพักเลยพนระองค์ก็ตัดเกศตัดเกศตัดผมตัดเกดาศาสด้วยระขันไม่มี ม, มีดโกนมีดโกนหนวดมันสมัยนี้หรอกเอาเมีดแบบตำรวจทาหารมันแผนมไนว้ในแอวเลัดะ ผมแขกก็แบบเดียวกับผมกินเดียวผมผมเสีย น, นั่นเองแหละมมวน ม, มาตัดที่เดียวก็เสียงทายว่าข้าข้าพระเจ้าแต่ได้ตัดสรู้เป็นอพระพุทธเจ้าจริงๆก็ยาให้เส่นเกสรนี้ทั้งหมดตกลงแสนดิน หาขึ้นไปสู่อากาศโยนออกไปโยงไฟก็เทวดาเป็นมีเทวดาที่พวกเราว่าไม่มีเทวดาไม่มีมันมีอยู่เทวดาเป็นเอาพานคอยรออยู่แล้วเอาไปสร้างเจดีไว้ที่ธาตุเกศแกว้วสุรมณีแต่คนมาได้สร้างแบบมนุษย์สร้างมันแล้วว่า หนึมิตเอาเป็นพระเจดีย์ตามตำนานว่ามันเป็นทรงกลมถ้ามองทิ่ไหนก็เหมือนพระพุทธรูปเป็นรูปพระพุทธรูปก็ได้แต่มันเป็นทรงเจดีย์ถ้าเทียแก้วก็ไปไหว้ที่นั้นส่วนพระองค์ก็ถือเทีเป็นนักโบวถ์หรือไม รูจะอาบน้ำทำละกายเสีย ก, ก่อนถือเปี่ยมเป็นนักบวชสมทานตัวเองว่าตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะเป็นพระฤาษีเป็นนักบวชไม่ใช่เป็นลูกข้าวพญ า, าหมากระสัดอะไรเป็นนักบวชองหนึ่ง แล้วก็เอานายฉันมะมาสั่งให้พาเอามา ก, กลับไปกรุงกระบินละพัดพร้อมด้วยเครื่องนุ่งห่มของมาจากกรุงกระบินละพัดให้โทนไปบอกพุทธบิดาด้วยมา มันแสนลูกมันลูกว่าเอนายเราจะไม่กลับเลยมองดูทีาสันจะัดผมเปลี่ยนเทศจะไม่กลับแล้วนะลกั้นใจตายเพราะตามตำนานมาพระที่นั่งนะกั้นใจตายโดยไปเกิดเป็นเทวดาอยู่แช่นตาวติงสา เราจับในนายันนะในมากพระองค์กับเดินทุดงองค์เยอะแลยเข้าในเขาหิมาลัยถ้ำที่ไหนพระองค์ก็ไปภาวนาเขาที่ไหนสูงที่สุดยอดอวเลกพระองค์ก็ไปภาวนาบนน้ำแข็งก็ไปภาวนา ทะเลสาบนั่นแข็งไหลลงมาเป็นทะเลสาบก็ไปภาวนาจนปลูกมละเขาในประเทศอินเดียได้หกพันศาบก็บพอดีอายุของพระองค์ได้สามสิบห้ายังได้เสด็จลงมาภาคกลาง อ, อินเดียอินเดีย ผ่านกรุงราชคฤห์จากกรุงราชคฤห์มาถึงที่พุทธคยาจังหวัดพุทธคยาหรือต้นไมโพนึงหกสิบกิโลพอมาผ่านกรุงราชคฤห์เวลนั้นข้าเจ้ากินปิษาเน็นแทบใสกองกรุงราชคฤห์ คนกรุงรัชคือไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผู้ชายสวยงามอุริษาลักษณะไม่เคยปรากฏ่านไปนั้นแม้แต่คนเดียวพอเห็นเข้าก็ตื่นเต้นกันทั้งหญิงทั้งชายทางการงา น, นยังบ่นเลยามันตื่นเต้นแก่ จึงไปทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าจะเป็นคนหรือเทวดาก็ไม่รู้มาบินธบาทมาในเมืองเพื่อให้พระองค์รู้พระเจ้าพิมพิสารก็ตัดบอกพวกบริวารว่าให้ไปดูห่างๆถ้าเป็นคนเมื่อท่านได้บินธบาตแล้วท่านเกิดคงจะไป ฐานินธบาตเสวยอาหารที่ไดที่หนึ่งยี่น้ำแหละถ้าเป็นเทวดาก็จะหายไปไว้ไม่ไม่ปรากฏลาดบุรุษก็ตามดูพอได้อาหารพอถาแล้วทันก่อนไปที่น้ำน้ำที่นั่นเรียกว่าตะโปธาราม เป็นน้ำร้อนน้ำโอนไกลาจากผู้เขาพระองค์ก็ไปถันที่นั้นก็ไม่ใครจากนันทไลจากวังของพระเจ้ากินณิกษาพอเขาเห็นอย่างนั้นเราก็ไปทูลพระเจ้ากินศึกษานว่าถ้าจะเป็นมนุษย์แท้ยังมีธรรมกำลังฉันยินทัมบาจิ้นเข้าอยู่ที่ลินน้ำ เจ้าสินสานนี่แลลวนั่นมันก็ไม่มีรถมีลาเหมือนสมัยแทกอินเดียน์กะคงไช่มากนั้นนะรถมากมี่มากก็ล อ, อ ก, ก, ลออกไปก็หลอกก็หลอกก็ไปไปถึงก็ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมแล้วก็ตัดถามว่าไปอย่างไรมาอย่างไร พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่ามาจากกรุงกบินละพัทเพราะว่ากรุงกบินละพัทพระเจ้าพินปิศาณก็รู้ไว้ก่อนแล้วว่าพ่อแม่เป็นมัดเป็นเสียวทหายกันไว้ชื่อสีสีทัจราชกุ ม, มาร เป็นเสี่ยวเป็นสหายเลยได้ข่าวว่าเสียวสาหายมาก็เลยบอกบอกโทนบอกว่าเออไม่ทอดไปไหนล่ะอยูด่ด้วยกันมาแล้วก็ดีจะแบ่งแผ่นดินหรือแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งไปสมัยนั้นคนทำไรทำนาเลย บริเก็ข้าษีเหมือนรัฐบาลสมัยนี้ทำไร่ทำานาแบ่งแผนดิ น, นยแบ่งรัฐดอนตามแผ่นดินพระพุทธ เ, เจ้าของเราแน่ยังบริศุทธิ์ก็าตามแต่ท่านไม่เอาลวท่านบอกว่าเออจะให้อยู่นั่นอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นแบบคนเป็นนักบวชแล้ กำลังแสวงหาที่ภาวนาดีๆจะได้ปัจฉรูปเป็นพระพุทธเจ้าเสียทีมุ่งหมายอย่างนั้นจะให้อยู่ขระวาสญาติโยมอย่างนี้ไม่เอาละสละมาแล้วจากกรุงกบินลพัทแล้วก็สละมาได้ทั้งหกีแล้วไม่ต้องการอะไรอย่างพระองค์อีกแล้วครับ เจ้ากินศีสารก็ฉลาดเออถ้าพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ไปภาวนาได้ตัดสุลูปเป็นพระกุติเจ้าแล้วก็ให้มาโปรดฆ่าด้วยพระองค์ก็เ อ, อินได้ข้ามันได้ตัดสุลูพระองค์ก็ลาพระเจ้ากินศีรษะก็เดินทางต่อไปที่มาหกสิบกิโล เมื่อไปถึงก็ พ, อ, พอดีได้ไปถันนางให้เข้านางเลยสี่สิบเก้าข้อก่อนพอถันแล้วก็เชียงขาดเชียงขาด น, นแนะนำไกลๆตึมโพล้วก็ไปถึงตงึมโพ มันเป็นเหตุบังเอิญ น, นะตามตำนานว่าต้นโพต้นนั้นก็กงอกเครื่องเสริดขึ้นพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าของเราอายุต้นโพก็ได้สามสิบห้าปีกำลังสวยงามเป็นลมเงาดีที่สุดะองค์ก็หานจังหันแล้วก็เวยอาหารแล้วก็ไปอยู่นั่งตลอดวัน ให้เห็นเข้าเราแบบเออต้นไม้ต้นนี้แหละเราจะภาวนาให้มันเป็นทีก็พอดีแขกเรื่องโคคนหนึ่งก็มาเห็นเขาว่าพระฤาษีตัว น, นี้ตั้งแต่เช้าและไม่มาแล้วก็ไม่ไปไหนเห็นอยู่บริเวณล่มไม้ต้นนี้ จนเย็ยนๆไกลไม่ไปไหนคงจะนอนที่นี่แน่จึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอายาคามาได้แปดกรมาถวายพระองค์กดรับเอายาคาแปดกรมาปูนั่งภาวนาปูนั่งด้านทิศตะวันออกของต้นไม้โพนั้นะ ไมโพนีได้ชื่อภายหลังแต่ก่อนเขาเรียกไม่อะไรก็ไม่รู้พอพระพุทธเจ้าตัดโพธิญาณแล้วก็าจ้ว่าไมโพธิหรือไม่สลีภาษาชิเนเขาเรียกไมสลีคือสลีโีบชี ส, สคอคอสลอสลีเขาอ่านมัดคุกดูไม่สลี ไม่ขีมาหาโพ่อเองเ น, นะนลาเข้านั่งที่พระ อ, องค์ปูอาสนะด้วยยาคาทั้งแปดกรรมก็นั่งขับสมาธิเนี่ยเพียนโปรแกรมใหม่แต่ก่อนนั่ ง, งแดดไหนนับไม่ทวนมาบัด น, นี้แล้วก็นั่งขับสมาธิแล้วมนะัน เอาข า, าซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ า, ายทอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งพระวรากายให้เทียงกลมหลับตานึกภาวนาอนาปารลมหายใจก่อนทีจ่จะนึกบริกรรมภาวนาพระองค์สร้างสัจจะ อธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่เหมือนก่อนๆถ้าไม่ได้ตัดสูลเป็นตัตถิเจ้าอย่างที่เป็นมาแล้วก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายไม่ไปตายที่อื่นสละชีวิตลงไป เือจะไม่ลุกไปแสวงหาบินทบาทมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายอีกยอมอดตายดีกว่าใจมันไม่กล้าแต่ถ้าหากว่าได้ตรดับสู่เป็นระพพิตธธิเจ้าก็จะเสวยอาหารช่วยมนุษย์เทพัดายินฟลมต่อไป พระองค์ก็นั่งภาวนาแล้วกันเมื่อนั่งภาวนาแล้วทีเรกมานสังขารมัมขันธ์มานหมายความว่ามานทุกอย่างล่มมามันลบแทนแก้วพระอุทิเจ้าแต่พระองค์ง่ายหวั่นไหวได้ตั้งใจไปแล้วว่าตายนั่งตายเขา กำหนดลมเข้าออกตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ทําพอเป็นวิธีการอย่างพวกเราเอาจริมงมันลมเข้าออือรู้ลมออกก็กำหนดลูกจิตใจดวงผู้รู้มันรู้อยู่ที่ลมเข้าออกเคยคิดไปห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงหอปร า, า, าสาดและสงนเทียนไม่แหงไป อยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลาพอจิตสงบระงับลงไปบ้างก็เนึกถึงความตายด้ว่าลมเข้าลมออกมีบอกแห่งความตายถ้าลมหายใจเข้าไปนีนออกมาไม่ได้เราก็ตายเข้าและออกเจ็นที่ตายแน่เนึกถึงความตายใ้ทุกลมหายใจ จิตใจก็ยิ่งมั่นคงลงไปสงบประนับเยือกเย็นสบายไม่ท่อแท้ในหัวใจจิตใจปลอดโปร่งไปโดยลำดับในคืนวันนั้นและค่ำคืนไปประมาณนั้นจิตใจของเธอคงกลอดกล้าหารสามารถ กิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภได้ตัดกิเลสความหลงได้ตั๊กกิเลสตัณหาตัณหาร้อยแสนได้คพือจะไม่ทําตามอํานาจกิเลสโดยเฉพาะคือกิเลสลาคะตัณหาเป็นตัวการสําคัญที่สร้างรูปสร้างนามให้พระองคง์กลมี สร้างโลกสร้างนามให้บุคคลผู้อื่นก็ตามก็เรื่องกิเลสตัณหาลาคะตัณหาโลภะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญพระองค์ตัดขาดคือว่าตัดในใจของท่านว่าเราจะไม่หลงไหลไปตามเรื่องโลภารมอารมณ์มเหล่านี้ ตายเมื่อใดก็ไม่ต้องกลัวเพราะองค์เตือนว่าลมเข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายทันตายนมฆภายในร0อยปีคนในสมัยนั้นไม่เกินร0อยปีเกินก็ไม่พนจากความตายต้องตายแน่แน่ จิตของพระองค์ก็เรียกว่าสามารถอาทานอดได้ขาดไม่ห่วงหน้าห่วงหลังยิ่ตกอิกจาาไม่กลัวว่าใครจะมาติดจีนลินทาไม่มีเสื่อมเสียอะไรใครจะว่าดีท่านก็ไม่ไปสนใจใครจะว่าร้ายให้พระองค์ก็ไม่สนใจ ตัดกิเลสความโกรธอยู่ในใจมันหมดสิน้นตัดกิเลสลาคะสัญหาในใจของพระองค์เอาจนหมดสิน้นตัดกิเลสอวิธาความไม่รู้ออกหมดจิตของพระองค์ก็รู้แจ้งเป็นจริงว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีทุกอย่างนี้อย่างนี้ความเจ็ดปวดทุกขเวทนาหรือว่า มันตายอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายของพระองค์ท่านไม่เกี่ยวท่านไม่ยึดไม่ถือก็ได้สร้างใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ต ร, รัสู้ก็เอาที่นี้ตายถ้าได้ต ร, รัสโลจริงจะยังชีวิตต่อไป คือพระองค์เอาชีวิตแรกออกความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> ในแท้ได้ในห้แม่พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธตาขันก็เอาชีวิตแรกถ้าไม่เอาชีวิตแรกนเจ้ากิเลสมารสังขารมารขันธมารมันคอยหลอกลวงอยู่เสมอ กลัวเจ็บๆหรือเล็กน้อยก็กลัวมันจะเป็นมากกันเจ็บมากกลัวมันจะตายพระองค์จะ ว, ว่าไม่ยึดไม่ถือมันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ขันห้ามันตายจิตพระองค์ไม่ต้องยอ่อคอกำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบตั้งมั่น ตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะตักิเลสโมหะเอวิชาตัณหาเอาจนหมดสิน้นเมื่อตัดละกิเลสตัณหาได้แล้วก็ละวาสนาอาจินสิ่งที่เคยเป็นมาที่ไม่เรียบร้อยก็เรียกว่าวาสนาเลิกละได้หมด ที่นี้พระองค์ก็เรียว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจิตใจของพระองค์ก็บริสุทธิ์ท่องใสไม่ต้องให้ผู้ใดามารับรองว่าถูกหรือผิดพระองค์รับรองเองพระองค์ละกิเลสความโกรธได้เองละกิเลสความโลภได้เอง ละกิเลสความหลงได้เองพระองค์รู้เองเข้าใจเองเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความเศร้าหมองขุนมัมเหมือนแต่ก่อนมาเพราะความเศร้าหมองขุนโมนั้นคือกิเลสความโกรธโกธะความโกรธโลภะ ความโลภความอยากได้ความอยากได้อ ย, ไดอยากดีอยากเป็นอยากมีอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอยากได้อะไรต่อมีอะไรชี้ปาทะนักไมทถนนั้นพระองค์ตัดได้หมดไม่เอาคือว่าไม่เอาหยดเมื่อพระองค์หยดได้ จิต ใ, ใจของพระองค์ก็โล่งโปรง่งเย็นสบายไม่ทุกไม่ร้อนกับคนอื่นสัตว์อื่นแม้ร่างกายสังขารของพระองค์ก็ไม่เย็บไม่ถือแต่เจ็บปวดทุกขเวทนาก็เป็นธรรมดาเนื้อหนังมันสังของมนุษย์ ที่ยังไม่ตายก็ต้องเนความเจ็บปวดทุกขเวทนาแต่พระองค์ไม่เวทมาพระองค์เจ็บพระองค์แก่พระองค์ไข้พระองค์ตายวันทา่าสีดินน้ำไฟลมมันเป็นของเขาสังหารช่างมันเทดิดจิตใจที่พระองค์ภาวนาตัดละอิเลสตัญหามาณนะทิตินั้นสำคัญกว่า ทีนี้จึงให้พากันนึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าคือนั่มพัทายใจพระพุทธเจ้านะั้นเป็นพุทธพุทธโธจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือหรือคำพูดความคิดจิตใจของตัว อ, องค์ไม่เกียวเกาะกังวลใน ความสุขความสะดวกสบายที่ว่ามนุษย์มันมีความสุขพระองค์ไม่เอ า, าที่ว่ามนุษย์มันมีความสุขพระองค์ไม่เอาตัดได้หมดแล้วตัดได้จนขาดจะบ้านหั่นแหลกแล้วใครจะเอาไปไหนทางเกิดข้าไม่เกี่ยวนั่นแหละจิป้า อ, อุตธเจ้า นั้นใจิตใจเราทุกคนให้เหมือนนั้นเหมือนพระองค์ไม่เหมือนมันจะวุ่นวายไปถึงไหนอีกตั้งใจลงไปพอได้บัวเป็นขาวก็ให้ใจขาวเหมือนผ้าขาวอย่ให้มันดำผ้าขาวมันขาวใจมันดำเป็นขางไม่ใช่ไม่ได้ ปฏิเลห์ความโกรธไม่ขาดไม่ได้เป็นใจดําปฏิีลห์ความโลภไม่ได้เป็นใจดําเป็นแม่ใจดําไม่ใช่แม่ขาวแม่ชีเพราะนั้นวันในตาแต่มันขานปฏิเลหความหลงแม่มีอยู่ในจิตให้ใสสวา่าง ไม่ว่านุ่งดำนุ่งสีนุ่งขาวเอาใจขาวเป็นหลักใจภาวนาใจขาวไม่มีความโกรธไม่มีความอิจฉาปยาบาดใครให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเรียกว่าให้อภัยฐานจป็การให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เขาไม่ด well, ีถ้าเรามีปัญญาพอสอนเขาได้ก็สอนไปสอนเขาไม่ฟังก็ไม่โกรธเฉยให้ได้ขั้งเด็กขั้งเล็กทั้งเนียนเน่นน้อยเนียนใหญ่ปั๊บกีแติให้มันหมดโซเฟ่โซฟาตั๊บกี่ติให้มันหมด ตั้งใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดได้ละไทยวางได้เรามันคาอะไรเทียนเพ่งดูในจิตใจของตนเอาให้มันรู้จักรู้แจง้งรู้จริงเลิกได้ละได้มันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ให้มันวุ่นวายไป กิจ ใ, ใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราจะต้องตั้งให้มั่นเอาให้จริงเรียว่าตั้งใจลงไปให้มันเต็มที่นั่งภาวนาให้มันได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้้ามันเลยความเจ็บความปวดทุกขเวทนาต่างๆ จนจิตใจเลิกละกิเลสตับกิเลสในจิตในใจได้จริงๆถ้าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตไม่ได้ตายเสียดีกว่าอยู่ให้มันหนักแผ่นดินไปทำไมกินเข้าสุขปาตายกินหน่อไม้อยู่ทำไม ละกิเลสในใจไม่ขาดจะบ้านคันแหลกจะไปถอยความเพียรพุทธโฆพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งพึ่งแล้วก็ทาตามอย่างพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธกาลไม่ว่ายิงว่าชาย ไม่ว่าคาเรัตและนักบวชเด็กเล็กขนอดอายุขนาดเจ็ดขวบทัานก็ภาว น, นาตัดกิเลสละกิเลสได้เป็นพระโสดาพระสัจาคาอาณาค า, ารหันตาสีที่พระสงฆ์ท่านนุ่งห่มมันคือสีเหลืองคำว่าสีเหลืองไม่ได้ไหมายถึงว่ามันเหลือง เป็นสีใบไม้แก่สีเหลืองใบไม้แก่ธรรมดาใบไม้แก่มันมีแตจะร่วงหล่นลงมาสู่แผ่นดินสีนักบูตนี้คือว่าเป็นคงชัยพระอรหันต์ไม่สดชื่นอยู่ในใบไมนแก่มันหล่นลงมามันตาย ต่นั้นจงภารณาเอาจริงตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดมีขึ้นน้ําใจอันใดมันกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายไม่ให้มีพระพธธุทธเจ้าสอนว่าฆ่ากิเลสให้มันตายคายกิเลสให้มันออกละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไป เอาให้ได้ทำให้ได้จึงชื่อว่าสาวกโกเป็นสาวกของเราตะขาคตขานละกิเลสตัณหามาณใน จ, จิตใจไม่ออกไม่หมดไม่สิ้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราเป็นลูกศิษย์พระเทวทัพเป็นลูกศิษย์ของพญามา ผู้กังวลวุ่นวายผู้เหยียดเบียนผู้ฆ่าผู้ทำลายมารนั่นคือผู้ฆ่าใครไปยินดีพอใจกับกิเลสมาสขาระมาณมารตัวนี้มันคอยฆ่าคอยทำลายคอยกีดกันจะภาวนาทำความเชียอเมื่อใดมันคอยกันจีดกันไว้ จะนั่งภาวานาตอนเช้าก็ายังเข้าอยู่ยังไม่ภาวานามันจะนั่งไว้แล้วภาวานาตอนสายก็ว่ามั น, นร้อนกลางวันก็ว่าเงื่งเหือไหลไขล่ร้อนย้อยนั่งไม่ได้กลางคืนก็เลยว่าไข่รับใครนอนพวกม า, มานั่งอะไรอย่าไปเชื่อไปเลงทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจ นี้ให้ได้ว่าพุทโทพ ร, ระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพุทธโธเลยพุทธโทรธธรรมโมสังโฆรวมจิตรวมใจลงไปชีวิตของเราทุกคนมีความตายเป็นผลที่สุดไม่ตายเวลาเด็กมันจะต้องตายเวลาหนุ่ม ไม่ตั้งในลาหนุ่มจะต้องตายเวลากลางคนเลยกลางคนไปเป็นคนแก่คนชราไม่มีทางที่จะหลบหนีเหมือนกับไม้ต้นไหนที่มันใกล้่งน้ำไหลนำ้ำซ้ะทุกปีทุกปีต้นไม้ตัวนั้นย่อมค้นลงมาตายค น, นี้อายุแก่ชราสี่สิบห้าสิบไปหน้า ก็เรียกว่ารอความตายตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกตายแล้วได้อะไรไปไม่มีใครหาหามสมบัติในโลกนี้ไปได้แน่แต่คนเดียวอย่าว่าแต่สมบัติทรัพย์สินเงินทองความสุขสะดวกภายนอกเลย ร่างกายสังขารขาสองแขนสองศีษะหนึ่งได้มาจากท่องแม่ก็เอาไปไม่ได้ตายเวลาใดก็ทิ้งที่นั้นถ้าไม่มีผู้อื่นเพาทีทีกระดูกก็จะมีมะแมลงวันมาไข่เอานอนใส่แล้วนอนก็กินเลือดใ น, นเรือร่างกายจนหมดสิ้น จิตยัยมาเย็บมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเขาว่าเป็นของเราที่ไหนถามดูก็รู้ผมเป็นของเราไหมมันก็เฉยไม่ว่าขนเป็นของเราไหมมันก็เฉยอาการสามทิศสองเป็นของเรามันเฉยทั้งนั้นเขาไม่ว่าใครเป็นคนว่า ผูว่าก็คือว่ามานกิเลสมันว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าข้าเป็นนั้นข้าเป็นนี้นั่นแหละคือว่ามานกิเลสมานกิเลสราคะมานกิเลสโทสะมานกิเลสโมหะมานกิเลสอวิชาตัณหามันปิดบัง ไม่ให้พู้ปฏิบัติภาวนาละปิเลสจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่ในโลกในวัะสงสารตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันโพกไว้ตันหาทั้งหลายมันมัดไว้ ตัณหารักโลกเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักหัวรักเนื้เหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของเหมือนปอกซุกตีนเหมือนมัดตีนมัดมือไปไหนไม่ได้ดันั้นต้องดูพิจารณาให้ดีถึงขราวจะต้องภาวนาตัดละมันเด็ดขาดลงไปแล้วก็เ้าให้มันจริง ต้องระลึกถึงพระองค์ผู้เป็นทรัพยพันโยภุดะพระองค์ละได้หมดทุกอย่างทุกประการทำไมเราจะมาคาอยู่ข้องอยู่ติดอยู่ ห, หลงไหลอยู่แค่ปลายลิ้ยนยินดีพอใจอยู่แค่รสอาหารการกินยินดีพอใจอยู่ในโลก ยินดีพอใจอยู่ในเสียงยินดีพอใจอยู่ในปินในลถในโภทพะพระธรรมารมณ์มาหมักหมมอยู่ในกิเลสกรรมวัตการมตั้งแต่อเนกชาตนับพบนับชาตไม่ทวนแล้วปูนับปูนังมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้น ยังจะมาเกิดต่อไปวุ่นวายต่อไปอีกไม่เอานั่งภาวนานั่งก็ภาวนานั่งแดดไหนก็ภาวนาละกิเลสเดินแบดไหนก็ภาวนาละกิเลสเอาให้หมดเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาละกิเลสทั้มนหมดมันสิน้นยังเป็นมัวสงสัยนั่นสงสัยนี่อยู่ มันละตัวมานสิเรสฆ่ามันตายหมดทำลายแห้หมดสิ้นเข้าให้จิตใจเข้าถึงอาสวะคยาญาณจนถึงญาณอันรู้ได้ว่าอาสวะคิเลสในใจได้หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเหมือนพระพุท ธ, ธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลาย แค่นั้นอย่าไปกลัวตายมันไม่้นตายครับได้กล่าวไว้แล้วว่าไม่ตายเมื่อเด็กมันตายเมื่อหนุมไม่ตายเมื่อหนุ่มมันไปตายกลางคนไม่ตายกลางคนมันก็ไปตายแก่ชลานั่นจะตายแดดไหนก็เท่าเท่ากันทาละกิเลกราคะโทสะไม่หมดตายแล้วมันก็เกิดมาอีก ถ้าตัดละกิเลสปัญหามานะทิฐิหมดจิตตายแล้วมันก็เข้าถึงซึ่งนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกในภพต่างๆต่ตอไปเอกพุทธสาวกในครั้งพุทธตาท่านภาวนาละกิเลสท่านไม่ใช่โบวถมาเพื่อเพิ่มกิเลสขึ้นเพิ่มกิเลสให้มันมาก เรพุทเจ้าท่านไม่เพิ่มท่านให้ลดให้ละออกไปให้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปผลที่เสดเอาให้มันหมดสินมันความคิดว่าละไม่ได้วางไม่ได้ถอนไม่ได้ไม่ต้องว่าอันนั้นมันความคิดของคนโบราณดึกอดำบรรคนขี่เกียจขี่ข้านภาวนากังหะ พระพุทธเจ้าพระริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ทอถอยท่านภาวนานละกิแลกจนหมดสิน้นแล้วก็มาต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าข้าพระองค์ละกิเลสได้หรือไม่ใจของตัวเองมันมีกิเลสอะไรอยู่มันก็แสดงอยู่นั้นใจความโกรธยังมีอยู่มันก็ แสดงจะเป็นใจเสือใจเสือใจที่โกรธใครทำอะไรข้างฮือฮือนี่แต่ข้าจะโกรธอย่างเดียวใจโกรธใจโลภใจหลงใจกิเลสตัณหาเลิกละตั้งแต่นี้ต่อไปมันหมดสิ้นทุกคนแล้วจะเห็นผลเห็นอานสง แห่งการปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาธรรมละกิเลสตัดกิเลสได้แล้วนั่งแดไในมันก็เป็นภาวนามาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตยอยู่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็ไม่มีจงพากรรตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกๆุกคนเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อย สร้างใจบริกรรมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคคุณประพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษผู้ใดเลื่อมใสในคุณประพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ ก็จะมีความสุข ก, กายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่เกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นคือผู้เลื่อมใสในคุณสัพพุตธธิเจ้าในทานศีลภาวานาที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายจนได้ตรัสรู้เป็นสัพพุตธธิเจ้า แค่นั้นเราต้องเจริญ น, นึกถึงกราบไหว้บูชาด้วยเสียงกล้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยากที่จะได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ละครั้งละคราวเรามีชีวิตได้กราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจา้า ได้กราบไหว้คุณพระธรรมได้กราบไหว้คุณพระอริยสงฆ์เต็นบุญเต็มโกศอันยิ่งใหญ่ไพศาลแม้เบคนผู้นั้นไม่ว่าใครๆในโลกนี้เขาตายไปเมื่อใดเวลาใด ก็จะไม่ไปโซอบายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิงเดรานเขาเหล่านั้นจะไปโ่สวรรคเทวโลกพรมโลกจนถึงนิพพานเพราะความเลื่อมใสศรัทธาเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาจิตตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเขาก็ทำตามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าวเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องคิดไปหาท่านอยู่ที่โน้นที่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าให้น้อมเข้ามาอยู่ในใจ พระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เรากราบไหว้บูชาละเลิกถึงพระธรรมพระสงค์ก็อยู่ที่นี่ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาส ง, งบเข้ามาตั้งให้มั่นส ง, งบโย่ให้ได้ทุกเวลา เตือนจิตใจของตัวเองว่ายาได้ประมาณมรณะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาใกล้ที่สุดเราคิดเอาเองว่ายังไกลยอยู่เพราะเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่แม่แกเท่าแล้วก็ยังเดินไปมาได้อยู่ ให้นั่นอย่าได้นิ่งนอนใจการภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนซึ่งความตายนั้นเป็นดีวิเศษไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าเทียมการภาวนาไม่มีอะไรสิ้นเปลืองนั่งโยก็ภาวนาพุทโธได้ ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทธโธได้หลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็พุทธโธเป็นที่เพิ่งเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ภายในเป็นโอบายเตือนใจไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอก เมื่อคิดฟุ่งซ่านไปภายนอกแราว่าห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระธรรมห่างไกลจากพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงให้น้อมเข้ามาในเวลาปัจจุบันนั้นๆว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระธรรมอยู่นี่พระสงฆ์อยู่นี่ไม่ควรคิดฟุ่งซ่านไปที่อื่น เมื่อผู้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้สงบกายสงบวาจาสงบจิตอยู่ที่นี้นั่นแหละได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีโยภายในพุทโธพ ร, ระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ไหนองค์ของท่านไปสูนิ่านเป็นเรื่องของท่าน ส่วนพระธรรมพระวินัยข้อห้ามต่างๆมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนาพระองค์ทรงประดิษฐานไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติ้อบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้นำมาพาวันนาทำความเกียริละกีรติ เพราะว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมียอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนของสัตว์ทั้งหลายของเทวดาอินทร์พรหมใครๆก็ตามคายังอยู่ในโลกนี้กิเลสเหล่านี้มันจะหุ้มหอ่อล้อมรอบกายวาจาจิตของบุคคลโวนั้นอยู่ ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติบูชาภาว น, นากิเลขั้งหลายลาราคโทสะโมหะมันจะล่มโจมตีเอาฆ่าทำลายให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นท่อแท้ออนแอในหัวใจจะไม่ลุกขึ้นภาวนาได้เลยเมื่อเราตื่นแล้วรู้สึกแล้ว พอให้ตั้งใจอย่าให้ใจท่อแทอ่อนแอจองยกจิตใจของตนให้สูงส่งสูงก็คือว่าไม่ตามอํานาจกิเลสราคะโทสะโมหานั่นแหละเรียกว่าสูงส่งก็ชัว่วส่งออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะ ไม่ต้องไปยึดเอาถือเอากิเลกลาคะโทสะโมหะในโลกจงเป็นผู้ปล่อยวางเลิกและวางเฉยให้ได้ทำใจให้ส ง, งบตั้งมัน่นรวบรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้โยในตัวในใจของเราให้ได้ เมื่อเจ็บใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตอยู่ภายในความว่าเวริตตกวิจารณก็ไม่มีเรียกว่าพุทโธอยู่ในดวงใจพุทธะพุทโธอยู่ในดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหาไปที่อื่นหลงไปที่อื่นนอกจากจิตใจของตัวเอง ชื่อว่าเป็นคนหลงคนทานคนเมาคนไม่ภาวานาคนไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ทำใจของตัวเองให้มีความสงบหลังัดจึงได้เล่าร่อนด้วยอิเลตันหามานติติไม่ีที่จบที่สิ้นได้แล้วว่าตันหาพาเป็นไป ในใจมนุษย์คนเราคือกามะตัญหาความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลายภาวะตัญหาความยินดีพอใจในพบต่างๆในที่อยู่อาศัยวิภาวะตัญหาเรียกว่าตัญหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี้อะไรตอนนี้อะไรมันจุกจิกอยู่ตลอดกาล ไม่เลิกละไม่ตัดให้มันขาดเมื่อตัณหาเหล่านี้มันไม่ขาดสะบัญนหันแหลกลงไปแล้วที่เศร้าเหงานอนก็อยู่ที่นั้นพุ่งสร้างลำคาญก็อยู่ที่นั่นจามะฉันก็อยู่ที่นั่นพยาบาทก็อยู่ที่นั้นทีนมิทะความรวงเหงาเหานอนก็อยู่ที่ใจ <c oughs> ความสงสัยในธรรมความสงสัยในโลกก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะว่าจิเลสนิวรมันมีอยู่ความฟุ่งซ้านลำคาญคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆเึกเอาพุทธคุณทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยู่ จะไปวุ่นวายอะไรภายนอกนั้นพุทโธ อ, อยู่ที่นี่พุทโธ อ, อยู่ที่ใจพุทโธ อ, อยู่ที่กายพุทโธ อ, อยู่ที่วาจาพุทโธ อ, อยู่ที่จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นจิตใจเชื่อเรื่องใสในพุทธศาสนาจริงๆโยที่นี่ปัจจังเวทิตัพโววิญโยหี วินโยชนททางหลายผู้ปฏิบัติทางหลายพึ่งรู้แจ้งปฏิจจตังจำพ่อจิตเจ็บใจดวงผู้รู้โยที่ไหนก็ต้องมาสงบระ ง, งับอยู่ที่นี่ทำความเจียนแข่งโยในจิตในใจของตัวเองดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสความโกรธบังคับให้เป็นไป ี่แลความโลภบังคับให้เป็นไปี่แลความหลงบังคับให้เป็นไปเคอไม่ตั้งใจรวบรวมจิตใจของตัวเองคิดใจมันก็ไม่มีทางสงบประงับได้ทาหาวารวบรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออก และลมหายใจเข้าออกก็ให้มองเห็นว่าอายุหรือวชีวิตของจัตสรรร้ายมันห้อยอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เองตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีชีวิตยอยู่นั่นเองถ้าลมหายใจในี่แหลขาดสะบั้นทันแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้ว บุคคลผู้นั้นก็จะเหลือแต่สิ่งปฏิกูลเป่อยเน่าพุพังเท่านั้นเองพุทโอไม่ทะยู่อนาคตพุทโธไม่ทะยู่อาีตพุทโธ อ, อยู่ในปัจจุบันพุทโอมีอยู่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้แล้วกราบไหว้บูชา พุทโธ อ, อยู่ในดวงใจเมื่อพุทโธ อ, อยู่ในดวงใจใจของเราก็ให้มาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจนี่วควบคุมรักษาเอาดวงจิตดวงใจของตนไม่ให้เกิดความประมาทโมเมาใจคนเราเมื่อมันประมาทัวเมาแล้วเรียกว่าไม่รู้สึกตัววุ่นวายไปหมด ถ้ารวบรวมเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจก็คือจิตใจของคนเรานั่นเองลมเข้าไปลมออกมาเป็นเรื่องของธาตุลมรูปร่างกายของคนเราที่เรามานั่งอยู่นี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกนั่น ถ้าน้ำก็เหมือนน้ำภายนอก